สิกขาบทที่8เรื่องพระชัพพคี624สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสูจชัพพิคีฉันโปรยมเมล็ดข้าวพระบัญญัติ8เพิงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ฉันโปรยมเมล็ดข้าวเรื่องพระชัพคีจบสิกขาบทวิพังพิสูจไม่พึงฉัน โปรยเมล็ดข้าวพิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันโปรยเมล็ดข้าวต้องอบัติทุกกดอาณาปฏิวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ1นพิสูจไม่จงใจ2อพิสูจไม่มีสติ3าพิสูจผู้ไม่รู้4ีพิกษุผู้เป็นไข่ห้าพิสูจทิ้งเศษของเมล็ดข้าวติดไปด้วย6กพิสูจผู้มีเหตุขัดข้องเจ็พิสูุวิกลจริตแปพิกูุต้นบัญญัติสิขาบทที่8จบ